ช่งวันที่เจ็ดคองกันยี่สิก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ร่วมกันวพรุ่งนี้ก็ต้องแยกย้ายกันบางคนก็จะกลับวันนี้นะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะที่ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันบางคนก็มา หลายครั้งแล้วนะมนางคนกมาครั้งแรกมางคน้ามาเก็บอารมณ์ครั้งแรกก็มีนะมางคน้ามาเก็บหลายครั้งแล้วเราวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวที่เราทำอยู่มันก็จะมีการเก็บอารมณนะ์มีการปฏิบัติสองรูปแบบเนะ รูปแบบแรกคือเราปฏิบัติทำร่วมกันนะเป็นหมู่เป็นคณะกันอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราปฏิบัติคนเดียวอมีแต่กุฏิอยู่ในห้องอยู่ในสถานที่ส่วนตัวมันมีสองรูปแบบบางคนก็ชอบทําเป็นหมู่คณะเห็นคนนี้เดินคนนั้นเดินก็ขยันชอบ แต่ว่าไม่ชอบอยู่คนเดียวนะแต่บางคนก็ชอบปฏิบัติคนเดียวเงียบๆนะไม่ชอบปฏิบัติรวมกลุ่มก็มีเพราะว่าเราก็ทำทั้งสองรูปแบบนะทั้งกับหมู่คณะด้วยแล้วก็ทําเป็นส่วนตัวด้วยเพือนจะ ไ, ได้บางครั้งเราก็จะบางครั้งเราก็จาเป็นจะต้องอยู่คนเดียว นะบางครังก็ต้องอยู่กับหมู่คณนะในชีวิตประจาวันชีวิตจริงของเราเราจะไป อ, อยู่กับคนอื่นตลอดก็ไม่ได้ไม่นะว่าจะอยู่คนเดียวตลอดก็ไม่ได้นะก็ต้องใช้ชีวิตทั้งสองรูปแบบนะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่กับหมู่คณนะหรือว่าจะอยู่คนเดียวเราก็ต้องมีสตนะิมีสติรู้เท่าทัน ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองรูนะ้เท่าทันการเคลื่อนไหวของตัวเองมีนะวพราเวลาอยู่คนเดียวนะนะบ้างเราจะอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้นะอยู่คนเดียวก็ต้องหาอะไรทำนะหาหนังสือมาอ่านนะฟังเทปฟังวิทยุดูหนังฟังเพลงนะทำอะไรสักอย่างนะแต่อยู่คนเดียวโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนี่ ไม่ค่อยได้ก็จะหาสิ่งนั้นสินี้มาแก่เบือ่อแก่เสง่แก้เงาถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆก็ไปหาเพื่อนอหาเพื่อนหาญาติพี่น้องอหาคนมาอยู่ด้วยหรือก็อยู่กับคนอื่นเนียเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ไม่เป็นทีนี้มาปฏิบัติธรรมเราก็มา ฝึกฝึกอยู่คนเดียวฝึกเจริญสตคนเดียวบ้างนะแล้วก็ฝึกอยู่กับเพื่อนบ้างนะทีนี้เรามาศึกษามาปฏิบัตินี่ก็เป็นการมาดูความรู้สึกความรู้สึกทั้งสองส่วนนะส่วนภายในภายนอกคือรู้สึกที่กาย แล้วก็ความรู้สึกที่เป็นภายในจิตใจความรู้สึกภายในใจมันก็มีเยอะกว่าความรู้สึกภายนอกความรู้สึกภายนอกนี่ก็เป็นเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดเย็นร้อนอ่อนแข็งพวกนี้ที่อยู่ติดกับร่างกายของเรามันก็มาด้วยกันถ้ามีกายมันก็ต้องมีเวทนามีความรู้สึก เพราว่าเราเป็นคนปกติธรรมดาไม่ได้เป็นคนพิการไม่ได้นคนอัมพาตมาพุกอมาาัอมพาตเนาะมันก็ต้องมีปวดมีเมื่อยมีร้อนมีหนาวมีเย็ น, นธรรมดาเนาะแต่เราจะรู้เท่าทันหรือไม่รู้เท่าทันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะทีนี้พอมันเกิดแล้วมันเราเวทนาความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะทําให้เกิดความรู้สึกเวทนาทางใจตามมาเนาะอย่าง<ม>เราร้อนเราหนาว เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความหุดหงิดลําคาญพอใจไม่พอใจความรู้สึกพอใจไม่พอใจนะั้นเป็นเวทนาทางใจความรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นความรู้สึกเวทนาทางใจมันเป็นสะพานเชื่อมกันจากการกระทบสัมผัสภายนอกอแล้วมันขอให้เกิดเวทนาข้างนอกก่อน ภัสสก่อนเกิดเวทนาภายนอกแล้วก็เวทนาภายนอกก็จะทำให้เกิดเวทนาภายในอีกทีหนึ่ง น, นะเราก็จะเจอทุกวันเนาะเวทนาหลวงพ่อท่านจอจะเน้นในเรื่องเวทนาให้ให้สังเกตเวทนาจริงๆมันก็มีหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเวทนาก็มีกายเคลื่อนไหวมีเวทนา แล้วก็มีความคิดมีอารมณ์ที่เกิดกับใจนะีะก็มีมีทั้ง ส, สี่อย่างนะแต่จะไม่เน้นเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้อนะืแต่ว่าเวทนานี่มันมันเกิดบ่อยนะมันมันเห็นได้ง่ายนะเห็นได้ง่ายมันมันเกิดอยู่ทุกขณะเรานันะ่งแป๊บเดียวก็นะนะ แต่ว่ามันไม่ได้เกิดปุ๊บปั๊บนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆเพิ่มปริมาณเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ได้เป็นแล้วก็เวลามันหายไปมันก็ไม่ได้หายไปปุ๊บปั๊บเหมือนกันมันก็ค่อยจางคลายไปเหมือนกันนะถ้าเราศึกษาเราก็จะเห็นนะพาก็ศึกษาอดูเวทนาเนา เพราะเพราะว่าได้เก็บอารมณ์บ่อยอยู่นะสมัยตอนมาเก็บปฏิบัติใหม่ๆเนกะ็บเก็บอารมณ์ครั้งแรกนะแต่มาเก็บเดือนหนึ่งนะเก็บเดือนหนึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องเก็บอารมณ์กนะ็ไปตามครูบาอาจารย์พาไปทำกนะ็เจอแต่เวทนานั่นแหละ <c oughs> เดิน ปวดแข้งปวดขาเท้าไม่ค่อยดีนะเท้าเท้าเป็นแผลเพราะว่า <c oughs> มันได้รับอุบัติเหตุแล้วก็ได้ผ่าตัดหลายครั้งนะเท้ามันก็เลยไม่ปกตินะเวลาเดินจงกลมนี่จะทรมานมากตอนเปิดปรลองครั้งแรกนี่เดินเท้าก็จะบวมด้วยแล้วก็จะมี เ, เลือดซึมออกมาด้วยแล้วก็จะ ใช้ผ้าอีลาสติกนะผ้าผ้ายืดผ้าบางครั้งก็ใช้ผ้าเหลืองผ้าอะไรผ้าชีวอนเนี่ยนะมัดพันไว้พันะนเท้าเดินนะเดินจนจนชินนะมันปวดจนชินจนมันไม่หายปวดนะเพราะว่ามันมันบวมมันอักเสบมันเอาเนเดินนอยู่บนเขานะ อยู่บนเขาตรงใกล้วรั้วป่าสุขสโตนี่แหละแต่เป็นของลูกเขาที่หลวงพ่อไปคเขียนมาจำมันสาปีนี้แหละเอาแถวคูลงคู่โคงตรงนั้นแล้วก็เก็บเข้าค่ายปฏิบัติก็บรวมกันทำให้ได้รับเวทนาได้รับทุกนะแต่ว่าเหนือเวทนามันก็จะมีถ้าเราอยู่เหนือเวทนาได้ก็จะมีปิติมีความสุขเหมือนกันนะ ก็เดินจงกรมทั้งวันนั่นแหละเพราะว่านั่งไม่ได้นั่งแล้วมันก็จะหลับจำเป็นต้องเดินนะปวดก็ไม่เป็นไรขอให้ไป่ง่วงดีกว่าง่วงแล้วเวทนาถ้านะ ง, ง่วงแล้วมันทรมานนะแต่ว่าเวทนาก็พอพอทนได้พอทนไหวนะความเจ็บปวดก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินจนจนลืมเวทนาจนลืมความเจ็บความปวดนะ คือความรู้สึกมันจะชัดกว่าความรู้สึกตัวเน่ะมันจะชัดเห็นเวทนาชัดเห็นความรู้สึกชัดความคิดก็ชัดทุกอย่างชัดแล้วมันก็เกิดปิติเกิดความสุขเบากายเอาใจเดินตัวเปลี่ยวตัวล อ, อ ย, ลยแต่พอปิติหายไปก็กลับมาทุกเหมือนเดิมกลับมาปวดเหมือนเดิมกลับมา เสวออยู่กับเวทนาเหมือนเดิมก็พยายามจะทำให้มันได้อารมณ์ได้ปิติมันแต่ว่ากว่ามันจะได้มันก็มันต้องใช้เวลาไม่ใช่่าเดินชั่วโมงสองชั่วโมงจะได้มันก็บางทีก็ได้วันละครั้ง่ะตอนบ่ายตอนเย็นบางทีนะทำกว่ากว่ามันจะเกิดความสุขเกิดปิติเนอม ถ้าไม่ปฏิบัติทำแล้วมันมันมันไม่ได้ปิติมันก็ไม่มีกำลังใจเนาะอัตมาก็ก็พยายามจะประเดบัดให้มันได้ความสุขความสบายให้มันอยู่เหนือความทุกข์แต่ว่ามันก็ไม่ไม่เข้าใจเนาะมันมันยังไม่เกิดปัญญาเนาะตัตมาก็ฝึกดูเวทนาตั้งแต่สมัย ยังมมนไดงมาบวชนั่นแหละเนะวทนาพอจะมาปฏิบัติธรรมเกิดอรมหรือ ว, ว่าเวลาอยู่คนเดียวมักจะคิดถึงเรื่องเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดมันะเป็นเวทนาที่ชัดเนะที่เกิดกับตัวเองจริงนๆะก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังจําได้อยู่เนะ เป็นเรื่องของเวทนานี่แหละนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเวทนาเนาะนะเราเราไม่ได้เรียกว่ามันเป็นเวทนาไม่เรียกว่าเป็นชื่อนะแต่รู้ว่าป็นเป็นอาการของความชอบไม่ชอบนะความพอใจไม่พอใจนะก็สังเกตดูตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นนะก็เป็นความบั drop ใจนะ อาตมาเกี็บอารมณ์ก็มาเก็บคิดถึงอยู่บ่อยๆนะคิดถึงสาเหตุที่ทได้มาศึกษาตัวเองได้มาสนใจตัวเองได้มาปบวชได้มาปฏิบัติก็ว่าเพราะว่าสนใจในเรื่องนี้แหละทําไงเราถึงจะอยู่เหนือเวทนาได้นะทําไงเราจึงอยู่เห น, ออเนือสุขเหนือทุกข์ได้แต่ตมาก็มีความมั่นใจว่าอืมันจะต้อง อยู่เหนือได้จ่ต้องเข้าใจได้คงจะไม่เหลือวิสัยนะก็ เ, เลยกล้าที่จะนะกล้าที่จะศึกษากล้าที่จะเอาตัวเองมาศึกษาโดยการยอมสลักนะความสุขยอมเสียสลักความทุกขนะ์แบบชาวบ้านนะไปมาศึกษาในรูปแบบของพระนะ มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยที่ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นอายุยังน้อยอยู่ผ่านมาเกือแบยี่สิบปีแล้วแต่ว่าก็ยังมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆก็มีก็ อ, อไฟนะถ้ามันเรื่องราวมันอาจจะ แต่มันไปนตรงกับเรื่องราวของโยมนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาไมาชอบอาตมาอานะตมาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเรานะก็มันก็เลยเกิดเรื่องนะเกิดเรื่องขึ้นตรงนี้แหละตรงจุดเริ่มต้นที่ว่าอาตมามาสนใจตัวเองเพราะว่ามีคนอื่นมาสนใจเรานี่ทาไมทาไมคนอื่นเขา ทำไมเขามาสนใจเราเราก็ไม่เคยไม่ค่อยได้สนใจตัวเองเท่าไหร่ทำแต่งานมันก็เลยเกิดความรู้สึกนะเกิดความรู้สึกนะชอบที่จริงอาแตมาไม่ไม่ดีนั่นหรอกนะเกิดมันก็เกิดเวทนานะเกิดความรักความชอบความรักความชอบก็เป็นเวทนานะ เวทนาทางทางใจเป็นความรู้สึกนะครับนะก็พยายามศึกษาพยานะยามเรียนรู้อยู่นะทําไงถึงเราถึงจะไม่ไม่ทําตามความรู้สึกนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจะต้องฝืนความรู้สึกนะทําไมเราจะต้องฝืนความรู้สึกนะคิดว่าถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกเนี่ยเราต่อไปเราจะต้อง แต่งงานไม่ต้องมีครอบครัวแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบพ่อแม่พี่น้องแบบญาติโยมนะก็ไม่มีใครบอกนะให้เราให้เราฝืนให้เราออกให้เราแสวงหาความสุขที่มั น, นเหนือกว่าความสุขจากเวทนาเานาะไม่มีใครบอกเราแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็เลยคิดว่าก็นึกถึงแต่วัดแต่พระแต่พระเจ้านะนี่พระเจ้าท่านท่านพบความสุขอะไรทําไมท่านถึงเสียสนะความสุขจากปราสาราชวางังจากความสุขแบบโลกออกไปนะท่านต้องรู้อะไรที่เรายังไม่รู้นะก็เลย ที่เราจะต้องจะต้องรู้ให้ได้นะจะต้องรู้ให้ได้นะก็เลยใช้ความสุขนะความใช้ความสุขใช้คนใช้ผู้หญิงเป็นอ่ากุณ์ในการศึกษานะศึกษาเวทนาความรู้สึกของตัวเองนะเวลา อยู่ด้วยกันเนี้ยเวลามันเกิดความรู้สึกอย่างไรก็ดูดูความรู้สึกแล้วก็สังเกตความรู้สึกตัวเองว่ามันมันรู้สึกอย่างไรนะมันรู้สึกชอบรู้สึกยินดีรู้สึกพอใจนะรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจหรือว่าเฉยๆนะเวลาทําอะไรก็แล้วแต่นะ ที่อสัมพันธ์กับคนอื่นนะก็สังเกตพยายามจะหาว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนหาความสุขนะคือต่อมามองอคิดไปเหมือนคนอื่นตัมมาคิดว่าความสุขจากกวามรือความสุขจากการชีวิตคู่เนี่ยมันมันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะ ก็เลยคิดว่าก็มั่นใจว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่ความสุขจากกรรมเนี่ยไม่ใช่สุความสุขจากการแต่งงานการได้มีครอบครัวมการใช้ชีวิตคู่เนะก็เลยพยายามที่สะแสวงหาความสุขที่ที่ไม่ใช่ความสุขจากการแต่งงานนะแต่ว่าก็มองไม่เห็นวิธีการมองไม่เห็นทาง จะไปหาความสุขแบบนั้นที่ไหนนะก็เลยจำเป็นจะต้องต้องมาบวชก็เลยเห็นเห็นแต่ทางการบวชเท่านั้นแนะต่ว่ากว่ากว่าจะได้มาบวชเนี่ยมันก็ยากนะแต่ว่าก็อตาตมาก็ศึกษาจนมั่นใจนะว่าสามารถที่จะอยู่คนเดียวนอนคนเดียวได้ตลอดชีวิตนะต้องต้องให้แน่ใจก่อนเพราะว่า ก็เกิดมาปวชแล้วเกิดมีคนมาชอบอีกเราจะทําไงเลยนะก็เลยก็เลยต้องทําให้แน่ใจก่อ น, นะก็พิสูจน์ทดสอบทดลองนะทดสอบทดลองดูความรู้สึก ด, ดูอลรมตัวเองนัะนะถึงแน่ใจว่าโอเคเราเราอยู่คนเดียวได้นะก็บอกให้เขารู้นะบอกว่าเราอยากอยู่คนเดียวนะ เราอยากบวชนี่นไแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็พยายามคัดค้านพยายามดึงถ่วงไวแต่ว่าเราก็มีอุบายของเรานเราสามารถที่เอาชนะความรู้สึกตัวเองได้นะจนหลุดออกมาได้ทนะ่านก็พอหลุดออกมาก็เป็นความเป็นอิสระแต่ว่ามันหลุดทางกายนะ หลุเฉพาะทางกายทางใจไม่หลุดเนาะนะทางใจมันก็ยังทุกข์ยังคิดยังปรงแต่งยังสงสัยยังอะไรเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมายนะหลุดเฉพาะในส่วนทางกายความอิสระจริงๆไม่ได้อยู่ที่กายนะความอิสระความ เ, าเป็นไทยความเป็นอิสระเนี่ยมันมันอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการ อยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนไม่เกี่ยวกับว่ามีครอบครัวเลยไม่มีครอบครัวแต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานถ้าใจเราถ้าเราเข้าใจเนะี่ยอยู่สองคนก็เป็นอิสระนะอยู่สองคนก็เป็นอิสระไม่มีใครมาทำให้เราขาดอิสระภาพได้นะสามีภรรยาโรกทรัพย์สินเงินทองบ้านไ ม, ม่ไม่ทำให้เราขาดอิสระได้อิสระมาอยู่ภายในใจถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางไม่ผูกมัดไม่ยึดติด เนะมีก็เหมือนไม่มีอย่างนี้ก็ถ้าเราทําใจได้นะถ้าเราเริญสติเราจะครอญาติโยมเลนะ่เนาะถ้าถ้ามาฝึกสติเนี่ยเราจ ะ, จะอยู่แบบอยู่แบบไม่ทุกข์ได้อยู่แบบเป็นอิสระได้นะละล้วมาก็มาเข้าใจทีหลังนะจะกลับไปอยู่กับคนอื่นอีกมันก็ตัเองมาบวชแล้วก็แล้วบวชก็บวชต่อไปนะจะกลับไปแต่งงานนีกก็ มันคงจะมันก็ได้ผ่านช่วงนั้นมาแล้วกลับไปอีกก็คงจะไม่ดีนะก็เลย อ, อยู่เป็นภาคต่อไปก็ดีละนะก็อาศัยเวทนานะอาตมาอาศัยเวทนาความสุขความชอบความรักความผูกพันความอะไรหลายๆอย่างแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากนั้นก็มาได้มาเจ อ, อความทุกข์ ในเรื่องของการพวกทางด้านร่างกายได้ประสบอุบัติเหตุนะร่างกายก็เสียหายไปเกือบเกินครึ่งนะเกินครึ่งอยู่เพราะว่าเราสังเกตดูกำลังดูสภาพแล้วมันมันไม่ปกตินะมันก็จะเหลืออยู่สักไม่ถึงห้าสิบเปอร์เ็นตะ คี่คนใบเดียวกันหรือว่า พ, พูดถึงร่างกายสภาพร่างกายนะนะเพราะว่ามันผ่าตัดนะแล้วก็รักษาใช้เวลารักษานานสองสามปีกวนะ่าจะเดินได้กว่าจะเป็นปกตนะิเพราะว่ามันกระดูกมันหะักนะลาไส้อะไรก็ทะลุแตกนะพวกไอ้เครื่องภายในมันก็เสียหายแล้วก็ เท้านี่ยก็เกืจะได้ตัดทิ้งนนะ เ, เลยนะก็เลยรักษากันนานก็เลยได้รับทุกเวทนานานนะพเพราะกับศุขนะพรกับศุขร์นะศึกษาเรื่องสุกร์เวทนาอยู่สองสามปีเหมือนกันแล้วก็มาดูศึกษาเรื่องทุกเวนทนาอีกสองสามปีก็เลยตอบย้ํำให้เราได้ชัดเจนนะว่าให้เราเข้าใจเรื่องเวทนาได้ชัดเจน ว่ า, ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงมันเป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่เวทนาทีนี้พอเรามาปฏิบัติเรามาบวชเรามาปฏิบั ต, าาบติได้มาเก็บอารมณ์อย่างเงี้ยความคิดเหล่านั้นมันมันก็ตามมานะความคิดเรื่องนะเรื่องผู้หญิงเรื่องแฟนหรือว่าเรื่องโรงพยาบาลเรื่องทุกข์เรื่องผ่าตัดเรื่องต่างๆมันก็กลับมา เรียกว่ากลับมาให้เราได้ศึกษาได้มาพบทวนว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราคิดเรื่องเดิมเรื่องเก่าคิดเรื่องเวทนาเรื่องเหล่านั้นมันเกิดเวทนาใหม่ไหมมันเกิดความชอบไม่ชอบยินดีพอใจไม่พอใจไหมเราอยากจะกลับไปแก้ไขไหมอย่างเงี้ยคิดตอนมีความสุขตอนที่อยู่กับ แฟนอยู่กับอผู้หญิงเนี่ยเรามันรู้สึกอย่างไรอยากจะกลับไปเหมือนเดิมไหมนะตอนที่อยู่โ ร, รงพยาบาลตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดตอนที่อมีความทุกข์มากๆเนี่ยอมันคิดแล้วมันรู้สึกอย่างไรอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมอยากจะกลับไปเป็นปกติไหมนะเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมนะั่งเงี้ยมัน รู้สึกผิดหวังไม่ชอบ ร, อรู้สึกเศร้าเสียใจไหมทำไมชีวิตมันถึงต้องเป็นแบบนี้เอ่็สังเกตดูความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเน่ยมันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นนะ ความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาแต่ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับมันนะมีความรู้สึกอย่างไรกับมันเราเฉยๆไหมคิดมาแล้วเฉยๆไหมเมื่อเกิดความรักความชอบความไม่ชอบความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้ว เรารู้สึกอย่างไรต่อเวท น, นานั่นอีกอีกทีหนึ่งมีความรู้สึกอย่างไงต่อความคิดนั้นอีกทีหนึ่งมีความรู้สึกอย่างไงต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นอีกทีหนึ่งนะเมื่อคิดแล้วรู้สึกอย่างไรนะเวลาโศกแล้วรู้สึกอย่างไรทุกข์แล้วรู้สึกอย่างไรนะเราเห็นเวทนาเป็นเวทนาไหมเป็นความคิดเป็นความคิดไหมเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เป็ น, เ ป, นเป็นสักว่ารหรือเปล่าอย่างเนี้ย คือเวทนามันดูได้หลายชั้นนะมันดูได้หลายทอดอตอนที่มันเป็นเกิดกับกายเราเนี่ยเกิดนะขึ้นกับกายเราเนี่ยเรามันเป็นความรู้สึกเวทนาที่เกิดภายนอกนะเราถ้าเราไม่รู้เท่าทานันไม่เป็นไรน ะ, ะไม่รู้เท่าทานันคือไม่รู้ว่ามันเป็นเวทนาเป็นแค่ความอาการที่เกิดขึ้นกับกายแล่มันมันก็ลามมาเป็นเวทนาทางใจ ก็ เ, เป็นรู้สึกหมุดหนิดลำคาญไม่ชอบไม่พอใจอยากจะให้มันหายปวดหายเจ็บอยากให้ได้ความสุขสบายนะเป็นความรู้สึกเกิขึ้นในใจทีนี้ความรู้สึกเหลนี้เก็ขึ้นในใจแล้วนะเราสามารถที่จะรู้ความรู้สึกเหล่านี้ได้อีกทีหนึง่งนะความพอใจไม่พอใจความหมุดลำคาญอนะภายในใจ เ, นเราเนี่ยรู้สามารถรู้มันได้นะสามารถรู้รู้าทา้อทันเวทนาทางใจได้อีกทีหนึง่ง นะความคิดก็เหมือนกันนะความคิดบางทีเราคิดด้วยความชอบนะความยินดีพอใจปรุงแต่งไปเพลินไปนะพอจบแล้วทีนี้มันสำคัญอยู่ตอนจบนะจบแล้วมันเรารู้สึกอย่างไรนะเรายังมีความอะไราอาวร์หรือ ว, ว่ามีความยินดีพอใจหรือว่าไม่พอใจทาไมทาไม ทำไมต้องคิดบ่อยคือเรื่องนี้บ่อยบางทีก็คิดในเรื่องที่ชอบก็เกิดความชอบ เ, อเสียดายจบแล้วไม่ได้คิดต่อนะมันมันเป็นความคิดสอนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคือความคิดหลักจบไปแล้วแต่ความคิดลองเกิดขึ้นมาอีกนะบางทีก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่จบไปแล้วคับางทีก็วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองนี่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มาคิดเราไม่ได้มานะ บางทีก็ไม่พอใจให้ตัวเองบางทีก็ไม่พอใจให้เวทนาไม่พอใจให้ความคิดไม่พอใจให้สังขารนี่ทาไมเรานร่งกายมันไม่สมบูรณ์แข็งแรงมันน่าจะมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตันแก่นะมันทำอะไรก็ไม่ค่อยได้อยากจะกลับไปคิดยังไงมันก็กลับไปไม่ได้ ม, มันแก่แล้วมันผ่านมาแล้วอย่างเงี้ย อันนี้ยธตรมาก็ทํามาอย่างนี้แหละทํามาตลอดนะทํามะตั้งแต่ยังไม่บวชแล้วก็บวชตั้งแต่ตอนอยู่กับแฟตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ตอนมาบวชมาปฏิบัติแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเนี่ยยังศึกษาไม่จบนะบางครั้งมันก็เฉยเฉยบางครั้งก็ไม่เฉยเฉนะบางครั้งก็ยินดีบางครั้งก็ไม่ยินดีนะบางครั้งก็เฉยเฉยนะ แต่ว่าเราก็สามารถรู้ได้ว่าเราเฉยๆหรือไม่พอใจหรือพอใจไปยินดีมีลายหนะัวนะเวทนานี่นสามนะสามารถที่จะมีสติตามรู้ได้นะเป็นฐานที่สองในมาสติประฐานนันะก็เกี่ยวเนื่องกันนะรูปเวทนาออ่กายเวทนาแล้วก็จิตธรรมมันมันสัมพันธ์กันเรายกมือขึ้นครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งสี่อย่างอยู่ในนั้นนะ ถ้าเราใหม่ๆมันก็จะไม่แยกไม่ออกอะไรเป็นตายอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นจิตอะไรเป็นธรรมมันจะแยกไม่ออกเรืองมือขึ้นครั้งเดียวนี่ยนะมันจะมีนังสี่อย่างแต่ว่าถ้าเรามีสติมีความรู้สึกชัดมากเพื่อนเราจะเราจะเห็นอ๋ออันนี้เป็นตายอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นความรู้สึกเป็นสติอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์เป็นอาการพวกนี้ย มันจะแยกออกนะต้องอาศัยการเจริญสติให้ต่อเนื่องให้มากๆให้มันกลายเป็นมหาสติรนะ mm hmm. ลอวก็เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะมันก็จะมันก็จะเห็นชั ด, ดว่าแยกสิ่งต่างๆได้นะสมาแยกแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะที่มันติดกันอยู่นะนะนะล้วก็จะสมาแยกตัวเองออกมาจากกายออกมาจากเวทนาออกมาจากจิตจากธรรมได้นะ ก็จะมาเป็นผู้ศึกษาผู้เรียนรู้อนะันนี้เป็นได้ทุกคนเนาะฉะนั้นเรื่องเกี่ยนการเก็บอารมณ์นี่น่า่าเป็นหัวใจหลักของวิธีการเจริญสตินะบางบางคนก็เก็บไม่ได้นะบางคนเก็บไม่ได้ก็เก็บคนเดียวไม่ได้ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเก็บกับเพื่อนที่หลวงพ่อพาทำนี่เป็นการเก็บเก็บแบบเก็บอารมณ์คลุมอนะ ไม่ได้ไม่ได้เก็บอรมณ์แบบเข้มแบบคนเดียวนะถ้าใครมีศรัทธามีสติปัญญาเข้มแข็งมากกว่านี้หน่อยก็ลองมามามาลุยเดี่ยวลองดูนะไม่ต้องให้คุณหมอพามาก็ได้นะมาช่วงที่เรามีว่างจากภาระหน้าที่นะลงทุนลา ง, งานหน่อยสักสี่ห้าวันบวกเสาร์อาทิตย์ไปก็เป็นเจ็ดวันเนะี้ยลงทุนปีละครั้งก็ได้นะ มาเก็บอารมณ์เข้มคนเดียวไม่ต้องชวนใครไม่บอกใครก็ได้แต่นะว่าเอาให้ให้ให้เข้าใจมานะมาครั้งแรกไม่เข้าใจเอาครั้งที่สองมาใหมนะ่หรือว่าถ้าไม่มาก็ทําที่บ้านก็ได้นะทําที่บ้านก็บอกอนะบอกคนที่บ้านบอกว่าขอเก็บอารมณ์นี่นะเริ่มต้นสักวันหนึ่งก่อนนะที่บ้าน ไม่คุยไม่คอยกับใครอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวไปคนเดียวมาคนเดียวอยู่คนเดียวยี่บสี่ชั่วโมงอยู่คนเดียวลองดูไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทอร์เน็ตไม่มีทีวีไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีหนังสือไม่มีอะไรมีแต่กายกับใจอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงลองดูนะเะให้ได้สักวันหนึ่งก่อนวันหนึ่งผ่านเขาเพิ่มจนวนขึ้นเรื่อยๆสองสามวันเจ็วันอย่างเงี้ยถ้าเราเคลีย งานเคลียร์คนรอบข้างได้ขอขอโอกาสเขาขอเวลาเขามานะเป็นเวลาส่วนตัวใหม่ๆก็เอาสักไม่ต้องถึงวันก็ได้นะสักชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งตอนช้าตอนเยนก็ได้ชั่วโมงวันละชั่วโมงเราให้คนอื่นสัก23ชั่วโมงนะให้ตัวเองสักชั่วโมงนึงก็ค่อยๆเพิ่มจำนว น, นขึ้นเรื่อยๆนะ มันมันถึงจะได้ผลนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมันจะถูกเกลืนไปกับสังคมกับครอบครัวกับหน้าที่การงานนะที่จริงในหน้าที่การงานครอบครัวสังคมมันมันมันเป็นส่วนประกอบของชีวิตนะไม่ใช่ส่วนไม่ใช่ส่วนหลักเป็นะส่วนประกอบที่เราให้เราอยู่ใน โลกใบนี้ได้นะเราเป็นเป็นส่วนประกอบของของชีวิตเราแค่นั้นเองไม่ใช่เราไม่มีก็ได้นะไม่มีครอบครัวก็ได้ไม่ทำงานก็ได้นะิพพ า, า, าก็ไม่ได้ทำอะไรนะ ไ, มไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรนะไม่มีเงินมีตอนก็ก็อยู่ได้ก็มีข้าวกินกวละมือมีที่หลับที่นอนแล้วก็มีอะไรที่พอชีวิตมันต้องการไม่ไม่ไม่เยอะหรอก นะแต่ว่าส่วนประกอบของชีวิตของส่วนประกอบของเรามันเยอะนะถ้าเราขาดถ้าเราสาไปสักวันหนึ่งมันรู้สึกมันขาดอะไรทักอย่างเนี่ยรู้สึกมันจาเป็นไปทุกอย่างนะจากนั้นอะไรที่มันพอที่จะตัดพอที่จะละที่จะวางที่จะอยวงห่างบ้างก็ได้นะเคยอยู่กับแฟนทุกวันนะเขาอยู่คนเดียวสักวันเนะี่ยหัดอยู่คนเดียวเพราะว่า เราจะได้เห็นความรู้สึกนคิดตัวเองชัดนะหรือว่าทําแบบอัตมาก็ได้นะอัตแบบมาคือว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้กนะ็ศึกษาการอยู่สองคนนั่นแหละนะศึกษาความรู้สึกที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละนะกินด้วยกันนอนด้วยกันทําอะไรด้วยกันเนี่ยศึกษาดูว่ามันเกิดความความสุขมาอยู่ตรงไหน ความชอบมันอยู่ตรงไหนความรักมันอยู่ตรงไหนความลำคามอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงมันเบื่อตรงไหนทาไมมันอยากจะออกทาไมมึงถึงอยากจะเป็นอิสระบางคนก็อยากอ ย, กอยู่คนเดียวทำไมมึง อ, อยากอยู่คนเดียวก็ดูไปนี้นะก็ศึกษาได้แต่ว่าต้องมีสติมีความเข้มแข็งมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรไม่ไม่เป็นไปกับอาการไม่เป็นไปกับเวทนา แค่นั้นนี้ก็ตามาก็ให้ข้อคิดนะเราเอาไปฝึกใช้ที่บ้านนะใช้ ท, ที่บ้านนะเราเจอที่บ้านเวทนาเยอะกว่าที่วัดนะโดนกระทบโดนสัมผัสนะทางด้านลายอย่างตานะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางอจนะอายตนะนะมันมันเจอเจอทุกวันนะถ้าเราเจริญสติเป็นเอ้ะสนุกนะอยูท่ที่บ้านเดี๋ยว่า พอใจเด็กก็ไม่พอใจแล้วก็สุขเด็กก็ทุกข์เดียวก็นั่นนนี่คือมันมีอะไรให้ศึกษาเยอะนะที่วัดยี่ไม่มีอะไรหรอกมีแต่คนพูดดีๆพูดเพราะเาะมันอารมณ์ดีๆนะมันไม่มีอะไรที่จะให้เราต้องทนต้องศึกษาเท่าไหร่แต่ว่าที่บ้านเรากก้าออกแต่วัดก็เจอแล้วนะฉะนั้นก็ข อ, อนมโนมทนากับญาติโยมทุกคนนะที่ได้มีศรัทธามีความเพียรได้มาฝึกสติ จะเดินสติสมาธิปัญญาก็ในหะ้ขอให้บุญกุศลหรือว่ากุศลละเกตนาดีของเราเนี่ยนะจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยให้เราได้เข้าใจนะสัจธรรมความจริงนะซึ่งมีอยู่ในจิตในใจของเราในระยะเวลาใกลน้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดนะเราเป็นแล้วว่าเราได้ ก็คในเรื่องของการกําหนดเวทนาแะการเก็บตัวเองมาเป็นส่วนตัวตั้งแต่หนุ่ยเล็กๆชั่วโมงขึ้นไปถึงคืนวันถึงวันถึงสาวันห้าวันเจดวันขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าฝึกบําเพ็ญนิคขมะบาลมีพยายามออกจากสิ่งแวดล้อมออกจากส่วนประกอบของชีวิตและออกจากครอบครัว ออกจากสังคมหรืกจะทังออกจากโลกเป็นโฮมเลสแบบพวกเขาทำไมกเขาทมเป็นโฮ ม, าามาเลสคนไม่มีบ้านอยู่ที่ไหนกินที่ไหนนอนที่ไหนาตายที่ไหนสาบายเป็นอิสระไม่มีใครมาสนใจก็ทำให้เรามีความสุขเป็นนิสระ